เพราะอย่างยิ่งที่คนไม่มีศาสนาเลยนั้นมันก็ไม่ผิดอะไรเกับสัตว์เราจะเห็นได้ว่าศาสนา เ, นเป็นสิ่งที่เชิดมนุษย์ขึ้นทั้งทางด้านจิตใจและคิณิยาความประพฤติมารยาทการแสดงออกต่างๆเป็นสิ่งที่สวยงามอยู่มากมายเป็นวัฒนธรรมไทยเรานี่ก็ออกมาจากพกุทศาสนามรารยาทของคนไทยจึงรู้สึกว่า เอาไปแข่งที่ไหนก็ไม่แพ้ใครเป็นมรรยาทที่นิ่มนวลอ่อนน้อมถ่อมตนก็ยกให้เมืองไทยเราการรู้จัก บ, บุญจักคุณการแสดงความเคารพต่อผู้ใหญ่ก็นึกถือเมืองไทยเราที่เป็นเมืองพุทธนี่เด่นในขนกธรรมเนียมเพราะออกมาจากพุชศสาสนาแต่ก่อนเด็กๆ ก, ก็เกิดกับวดัดปุ่นง่ายๆว่างั่นเลย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 หรือเป็นรูปของพุธกายาอาการที่แสดงออกจึงงน่าดูน่าชมนั้นต่อมาสัตว์คนค่อยเหินห่างจากวัดจากวาเข้าไปโดยลำดับลาดับกียาอาการค่อยเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปยิ่งไปเกี่ยวกับสิ่งสถานที่ต่างๆที่นอกจากเมืองไทยแล้ ว, ลวมันก็แปกหูแปกตาไปเลยก็ยึดออกมา อาคะ้าเท่ากันบางอย่างก็มาเป็นค่าสิบ ต, ต่อตนเองโดยที่เจ้าตัวเขาเ้าใจเป็นของดีแต่กลับเป็นพิษเป็นภัยต่อหรือเป็นค่าสืบต่อของดั้งเดิมตอนอย่างนั้นก็มีอย่างทุกวันนี้มันค้าเข้าไปหมดนี่คาว่าพุทธแทบจะไม่ปรากฏแล้วแม้แต่ภายในวัดเพราะความเปลี่ยนแปลงของทางจิตใจจิตใจที่เปลี่ยนแปลงก็เพราะอำนาจของกิเลส จะมีความอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นต่างๆไม่มีเขตมีแดนมีความหิวความกระหายอยู่ตลอดเวลาเมื่อมีอะไรเข้ามาสัมผัสสัมพันธ์ต่างๆาหูจมูกเพี้ยนกายมันก็ต้องเป็นไปตามนั้นๆเพราะความต้องการอยู่แล้วก็ยิ่งติดยิ่งพันนง่ยายๆซึมซาบเข้ายึดได้อย่างรวดเร็วเมื่อสิ่งนั้นซึมซาบเข้าขถึงใจการแสดงออกก็ต้องเป็นไปตามสิ่งที่ตนชอบใจแล้วมันก็เลยเผลไปเผลไป ผลจุดท่ายก็มาตําหนิศาสนาว่าไม่เกินไม่เป็นประโยชน์กดท่วงความเจริญของประเทศชาติบ้านเมืองไปรี้ยนี่มันเป็นไปขนาดนั้นแล้วอย่างที่เป็นไปอยู่ทุกวันนี้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ซึ่งเคยถือกันมาตั้งแต่ดึดกดําบรรพ์กาใไหนแม้แต่ครั้งบุญการก็มีพระมหากษัตริย์มีของเขาของเรา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 ถ้าไมจใช่คนที่เห็นประชาชนเป็นสำคัญน่ะมันย้อนกันเข้าตรงนี้ถ้าคนเห็นว่าประชาชนเป็นสาคัญแล้วก็ต้องเห็นครูเห็นอาจารย์เห็นพ่อแม่เป็นสาคัญเห็นศาสนาเครื่องดับแปลงกายวายใจให้เป็นของดีของประเสริฐขึ้นโดยลำดับนี้ก็เป็นของสําคัญศาสตร์เขาก็มีหัวหน้านี่คือความเห็นที่มันเปลี่ยนแปลงไปต่ำลงไปเรื่อยๆ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 ถ้ว่าเพื่อประชาชนทํำไมประชาชนจึงเป็นอย่างนั้นเราพี่นายดูสิมันเพื่อใครเท่านี้เราก็ทราบพอทราบได้อะไรจะเพื่อประชาชนยิ่งกว่ า, าศาสนธรรมมันไม่มีแล้วในโลกนี้สัตว์โลกนั่นฟังดิบไม่เรียกประชาชนจะเรียกอะไรครอบไปหมดไม่ว่าประชาชนที่เป็นมนุษย์สัตว์โลกแม้แต่สัตว์เดือดฉันก็ให้อภัย ให้มีสิทธิเสมอภาคในชีวิตความเป็นอยู่ของตนจะมีอันใดที่ให้อภยัยจนกระทั่งถึงสัตว์ยิ่งกว่าศาสานาธรรมนะโอเคแล้วเมื่อศาสนาไม่มีความสำคัญแล้วอะไรจะสำคัญในโลกนี้เพราะว่าศาสนาให้อภยัยทั่วถึงกันหมดบรรดาสัตว์ที่มีชีวิตแม้แต่อยู่ในท้องก็ไม่ทำลายดูดใครจะให้สิทธิเสมอภาคให้มี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 ผู้ให้กำเนิดเกิดมาใครจะไปเป็นที่หนึ่งยิ่งกว่าพ่อแม่ผู้การให้กำเนิดเกิดมาก็พ่อแม่เป็นที่หนึ่งการความเมตตาสงสารการเลี้ยงดูทุกสิ่งทุกอย่างก็พ่อแม่เป็นที่หนึ่งที่หนึ่งที่หนึ่งทั้งนั้นตลอดตึงการอบรมสั่งสอนตั้งแต่ยังไม่รู้ยังสาภาวะกันยังสอนมาด้วยมารยาทสอนโดยการแสดงออกทางอาการต่างๆเรื่อยมาโดยลําดับธรรมดา มันขัดกับหลักศาสนาหลักศาสนาย้ำลงตรงนี้มาตาปิตูปัฏฐานังบุตรดาลัสสังกโหให้อุบัธรรมประถ า, าบิดามันดาผู้บังเกิดกร้าของตนให้มีความไม่เยินเป็นสุขย้ายเกิดความกระทบกระเทอนัันใดที่เป็นการอกช่ำพนา จ, จิตใจแล้วการสงฆ์การสง์พระิยาบุตร บุตราลัสสังกหมีกวามจงเคราบุตรภรรญาี่หลักใหญ่ก็มีอยู่ตรงนี้อศาสนาไม่เป็นของสําคัญแล้วมันก็หมดความหมายแล้วมนุษย์เรากลัวจะไปเจ้าแยงเอาหางเขามาใส่ดิแล้วสุ น, นัขก็จะเดือดร้อนอ่าไปแย่งหามันมันก็หวงี่ไปแยงหางมเดี๋ยวมันกัดออกแล้วหาสุ น, นัขมันทํา กัดตัวเองก็จะไปฆ่าสุ น, นัขอีกนี่นั่นเลยเกิดค่าสุเกินไปจนกระทั่งสุ น, นัขไม่เดือดร้อนนั่งแต่มันตลอดสุ น, นัขก็ยังเดือดร้อนไปด้วยหางก็จะไม่มีก็จะไปแย่งหางเข้ามาเพราะาจะเป็นแบบเขาก็เป็นไม่ได้ตรงไม่มีหางก็ต้องไปคว้าหางเข้ามาคือหางเขาก็กเขาเสียดายเขาหัวหง่ว ง, งกัดมาบ้างพอกัดพอวิ่งหนีเข ก, ก็วิ่งห น, นีตัวลงก็โกรธหรือเครียดแค้นนะเขาตามฆ่าสุ น, นัขเลย มันจะเป็นไปอย่างนั้นเราเห็นได้ชัดเจนเรื่องของกิเลสกับเรื่องของธรรมมันเป็นคนละโลกอย่างนี้ไกลกันดาวฟ้ากับดินเลยพลวพุทธยาก็ถึตรงสอนสอนด้วยความเมตตาให้ความสมุภาพให้สิทธิตามสิทธิของตนที่มีเอ็นมีสมบัติเงินทองก็ของมีอะไรก็ตามให้เป็นสิทธิของบูนั้น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 ป h หา ก, กษัตริย์เป็นของทั้งพันองไรบ้าง <S <S 1> <S 1> ย่นเข้ามาพาดในจิตใจของเราศา ส, สนาอยู่ที่ไหนอะไรเป็นเครื่องรับรองศาสนาไว้ตักวันนี้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 ให้แตกให้ทำลายให้เล่าให้อะไรกันไปอย่างนี้จิตมันก็เป็นอย่างนั้นเอาเรื่องนั้นมายุเอาเรื่องนี้มาแย่ตัวเองได้มาจากทางหูทางตาทางจมูกทางลิ้นทางไหนก็ตามมายุแย่กว่าควรของ น, นี้จริงไม่จริงไม่สําคัญขอให้ยุได้แย่เล่าก็เป็นคนหูเบาจิตของเราเนี่ยก็เป็นคนหูเบาอืเชื่อเข้าไปเรื่อยๆเดือดร้อนบูมมาทลายาก็ไม่มาคำนึงไม่บวกไม่ลบดูผลที่ เกิดขึ้นจากการอยู่ใหญ่เขาพอจะได้เห็นโทษของความอยู่ใหญ่นั้นบ้างมันไม่ยอมเห็นเนี่รยร้อนต่างเข้าไปร้อนต่างเข้าไปร้อนเท่าไรก็ไม่ทราบหรอร้อนเพราะเหตุอะไรนี่อย่างมากก็บนก่นใช่ั่งหรือามากคน่นั้นก็ร้องห่มร้องไห้ไปมันก็ไม่เกิดผลอะไรทั้งนั้นในสิ่งนี้ถ้าไม่คน้นดูสาเหตุในสิ่งที่มันพำให้เดือดร้อนคืออะไรอะไรเป็นเครื่องอยุ่ยแย่กบอยู่เวลานี้นอกจากตัวสําคัญที่แทรกอยู่ภายในาจิตใจ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 ก็อยอมได้รับความสงบเย็นใจขึ้นมานี่ก็เพราะอำนาจแห่งธรรมเป็นเครื่องขับไล่ขับไล่อะไรขับไล่ตัวพิษตัวไผ่ใจก็มีความสงบลมเย็นทั้งที่เราไม่เคยเลยตั้งแต่วันเกิดมาเอาพูดอย่างนี้แหละคือพูดตามความจริงจใจไม่เคยปรากฏเป็นความสงบสุขขึ้นมาให้เห็นเลยเพราะเราไม่ทราบพิธีการที่จะทําใจให้สงบเราเกิดมาวัน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 เป็นเครื่องบังคับบัญชาอยู่ภายในจิตไม่ปล่อยให้จิตคิดไปหาสิ่งที่จะก่อปวนตนเองหรือมาเผาหล่นตนเองจิตเมื่อไม่มีภัยเข้ามารบกวนก็ย่อมอย่างเข้าสู่ความสงบเย็นสบายนี่เห็นความชํำคัญของตัวขึ้นมาแล้ว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 สุดท้ายก็ปรากฏขึ้นจริงๆเพราะความเพี่ยนพยายามเมื่อเป็นเช่นนั้นจิตที่เคยไปยึดไปถืออะไรด้วยความําคัญมั่นหมายรูปกๆคาคำเพราะควา ม, ม, ม, มไม่แน่ใจเพราะความสงสัยเพราะความส่อแสวงโดยความเสื่อาของเราแต่ก่อนที่ไม่มีหลักมีเกณฑ์มันก็ปล่อยตัวเข้ามาเพราะมีหลักยึดอันดีแล้ว น, นั่นที่ในเรากับโลก เรากับสิ่งต่างๆก็เริ่มเป็นคนละอย่างเข้ามาแล้วทีนี้ไม่ค ข, ข้าวกันไปเสียหมดจนกลายเป็นไฟทั้งกองภ า, ายในหัวใจเหมือจิตมีความสงบเย็นอยู่ที่ไหนก็สาบายนั่งอยู่ก็เพลินไปด้วยความสงบร่่มเย็นภาณกิจเดินอยู่ก็เย็นมีความรื่นเริงบันเทิงในธรรม โดยไม่มีความโศกเศร้าหงอยเข้ามาแทรกเหมือนอย่างความเพลิดเพลินอย่างอื่นนั่งอยู่ก็าภาวนารื่นเริงบันเทิงแต่กับอัดกับทำคือความสงบเบย็นใจพิจารณาอะไรก็เป็นอัดเป็นธรรมเห็นทั้งโทษในสิ่งที่ควรเป็นโทษก็เห็นชัดเห็นสิ่งที่ควรเป็นคุณก็เห็นชัดประจักษ์ใจย่อมมีทางเลือกเฟ้นได้ด้วยอํานาจของสติปัญญาของตนเพราะความสงบเบย็นใจนั้น เป็นฐานสำคัญอันหนึ่งหรือเป็นจักขิพยานให้เราเห็นชัดว่าสิ่งนี้ดีสิ่งนั้นชั่วแต่พอยังยิ่งจิตเป็นของสำคัญนะเราพยายามปัดเป่าพยายามแก้ไขพยายามแยกแยะให้จิตออกจากสิ่งแวดล้อมทั้งหลายนั้นด้วยสติปัญญาข้าโดยลำดับนี่เรียกว่าเรียนเรื่องของตัวเอง จนกระทั่งรู้เรื่องของตัวเองโดยลำดับลำดับรู้เรื่องของตัวเองแล้วก็รู้เรื่องสิ่งที่มาเกี่ยวข้องมากน้อยเช่นเดียวกันแต่ก็ยิ่งมีความส ง, าาง่าผ่าเอยกำหนดเข้าภายในจิตใจนี่มันสว่างโลดอยู่เลยแบเบากับเบาเหมือนว่าเบาไปทั้งทั้งร่างกาย ความจริงก็คือจิตนั่นแหละเป็นผู้พาให้เบาไม่หนักพึ่งเหมือนภูเขาดังที่เคยเป็นมาอยู่ที่ไหนก็รื่นเริงวันถึงวันคืนปีเดือนผ่านไปก็ไม่ควจะสนใจว่ามันผ่านไปเมื่ อ, อไรเมื่อแจ้งอะไรไม่สนใจสนใจตั้งแต่เรื่องหน้าที่ของตัวเองที่จะพิจรารณาส่งเสริมในสิ่งที่ควรจะส่งเสริมให้จเจริญยิ่งขึ้นและแก้ไขแต่แปลงสิ่งที่จะทําให้อักเฉาเบาปัญญา แก้าขไปโดยลำดับอีกก็ยิ่งมีความสง่าผ่าเผยองค์อาจกล้าหาญขึ้นตามความเพียนตามความพยายามตามความส่งเสริมอยู่ไหนก็เหมือนว่าสูงล่ะที่นี่นํางอยู่ในร่มไม้ก็สูงสง่าผ่าเผยลาก็ว่าประยู่หนุนอวกาศนั่ที่นี่พราจิตมันสูงจิตมันแปลกประหาดจิตมันอัศจรรย์ไม่มีอะไรที่จะเด่นยิ่งกว่าจิต ที่ปรากฏผลขึ้นมาเพราะการประกอบความเปลี่ยนของตอนอยู่ที่ไหนก็สงงางผ่าเผยดูสินี่แหละผลเห็นเห็นประจักษ์พานาจิจปัญญาพิจารณานยู่โดยลำดับในสิ่งต่างๆที่มาสัมผัสสัมผันสทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายแกย้ไขหรือถอดถอดนออก เป็นชิ้นเป็นอันเข้าใจไปโดยลําดับขาดไปโดยลํำดับลำดั บ, ดบผมสุดท้ายก่ <Yeah. S 2> อนแยกหูเสียงกลิ่นลดเครื่องขัมผัสเขาแยกออกเข่าได้จากกันได้อุเบกนาสัญญาทั้งฐานวิญญาณก็แยกจากกันได้ด้วยปัญญาจิตกับกิเลสที่เคยฝังจมกันอยู่ก็แยกกันออกได้อ mm hmm. ไม่มีอะไรเหลือไม่มีอะไรเหลือจะแยกเหมือนมีอะไรเหลือที่จะแยกแล้วกับเป็นยอด งจิตยอดแห่งธรรมแสนสบายนี่ศาสนธรรมเป็นยังไงบ้างเ ร, รออาพิจารณาเพราะอำนาจแหงศาสนธรรมเนี่ย <c> เป็นเข็มทิศทางเดินให้ก้าเข้ามาสู่ธรรมประทีปคือความสว่างสวัยอันมุิสุขฝุดผ่องภายในจิตใจซึ่งแต่ก่อนเคยถูกปิดบังอยู่ด้วย มูลสดมูลแห้งเป็นไปหมดกิเลสเก่ากิเลสใหม่นั่นแหละเดียวมูลสดมูลแห้งเรื่องเก่าเรื่องใหม่ซึ่งเป็นกิเลสด้วยกันทับถมกันจนมองหาใจไม่เห็นไปกลายเป็นใจไม่มีคุณค่าเห็นถึงนั้นทิ้งนี่ว่าเป็นคุณค่าไว้มมติหลงโลกหล ง, ล ง, ลงสารหลงจนเป็นบ้าทั้งสดตดทั้งร้อนมันมีเต็มแผ่นดินเวลาเราจะไปว่าอะไรตั้งแตดในโรงพรยาบาลสเมเด็จเจ้าพรยามันเป็นบ้าอยู่ทู้แห่งตูงห้หนโลกมันร้อนก็ร้อ น, อนเพราะเรื่องบ้าของมนุษย์นัเอง มันไม่ยอมเดินไปในแถวทางที่สมควรกับคําที่ว่ามนุษย์ฉลาดแต่มันกลับเดินไปด้วยอำนาจทางที่เหลือตันหาวิชาปิดมืดมิดปิดตายไม่รู้เหตุรู้ผลเอาตั้งแต่อํานาจวาสนาของตนเดินเข้าไปกดขีบ่บังคับโลกทั้งโลกมันร้อนทั้งหมดคนมนรู้ภาษีภาษากขาร้อนไปหมดเพราะความร้อนของใจของคนคนนั้นเพราะความมืดของใจของคนคนนั้นที่เข้าใจว่าตนเฉลียวฉลาดอํานาจมากเลย มันร้อนไปหมดเนี่ยนั่นเราดูนี่น่นความรู้ความเห็นที่เป็นไปด้วยอนาจของจิเลศกับความรู้ความเห็นที่เป็นไปด้วยอานาจแห่งธรรมมันผิดกันขนาดนั้นแม้อยู่ในจิตดวงเดียวกัน ของเราระยะที่มันเป็นเป็นบ้าไปซะสุ ด, ดร้อนๆนั้นกับเวลาเวลาที่มันดีนี่ดูแล้วก็นนะ่ขายขายักขยแงในตัวเองไี่ดูอย่าพูดถึงเรื่องบ้าเราจะเข้าใจว่ามันมีตั้งแต่อยู่ตามถนนทางเจรงกมังงนงานอยู่ตามถนนทา ง, ง, ทางแล้วอยู่ตามโรงพยาบาลมีสมเด็จเจ้าฟยานต่างต้นมันมีอยู่ทุกแห่งทุกหนนั่นแหละ และบ้าชนิดนี้เป็นบ้าที่ก่อควรทำความเดือดร้อนให้โลกได้มากมายไก่ความด้วยบ้าที่ไม่เข้าไปอยู่ในเตียงนี่บ้าเพ่งผ่านบ้าอำนาจบ้าศนาบ้าความรู้วิชาลโลกมันร้อนเพราะบ้าประเภทนี้บ้ามมองดูเหตุดูผลบ้าความอยากอยากอยากโตอยากครองโลกครองสงสารทั้งทั้งติดป่าชาติก็ปิดกับตัวก็ไม่มองดู บ้าลืมตายมีมันทำให้โลกมันร้อนถ้าเด็พิจนาความตายละวันนสักสองหนตอนนั้นก็ันพอจะมีเบรกห้ามล้อบ้างแล้วโลกก็จะได้เย็นตัวเองก็จะได้มีเย็นบ้างนี <c oughs> ่พวกเราพูดประพฤติปฏิบัตินันจึงควรให้มีทั้งคันเร่งคือเร่งต่อความภาคเทียนเพื่อใจ สงสมคุณงามความดีให้มากมูนขึ้นโดยลำหนักหมูนพอมาลยไปตามเ็มทิศทางเดินแห่ทำด้วยกันทรง ส, งสอนไว้เบรกหรือยับยั้งในสิ่งที่เห็นมาไม่ดีระว่างไห น, นดาเนินไปด้วยความปลอดภัยก็ไร้ทุกข์ความสุขก็อยู่กับความปลอดภัยนั่นแหละไม่ใช่ความสุขจะอยู่กับภยัยความปลอดภยัยไร้ทุกข์แล้วก็เป็นความสุข ใครเป็นผู้ได้รับความทุกข์นอกจากใจเป็นตัวสําคัญท่านั้นไม่มีอะไรใจรู้ทุกแก้ทุกไม่หมดขึ้นไปจากใจทั้งสาเหตุที่เกิดให้เกิดทุกข์ก็แก้ออกหมดหรือแต่ทำรุนร้วนภายนจิตใจนั่นแหละท่านโลกเย็นเย็นตรงนั้นเย็นที่บุคคลผู้นั้นนสงบสุขเย็นไปไหนก็สบายสบาย ตายก็ไม่ต้องมาห่วงมายายกับซากกับศพต้องเก็บไม่ต้องเผาจะเก็บไว้กี่วันกี่คืนกี่ปีกี่เดือนตายแล้วใครใครจะมาทางานทาจบให้เราดีๆทำให้ ม, มันดีไปอะไรคนตายทําให้มันดีในขนาดที่เป็นอย่างนี้เลยมันไม่ดีตรงไหนก็แก้ไขมันจนดีอันนี้ดีแล้วไม่สำคัญอะไรของร่างกายเป็นของทิ้งแล้วมันถึงตาย มันรับภาระไม่ไหวแล้วถึงได้ทิ้งถึงสลัดทิ้งกันลงไปแล้วยังจะไปห่วงปลายอะไรกับกระดูกทราบพีตายนั่นเอืม ย, ยังไม่เห็นโทษของมันหรือหรือขนาดเน่าเสีไปแล้วยังไม่เห็นโทษของมนันหรือมันทุกข์จนถึงที่สุดแล้วก็ตายจนเน่าเสียนีย่ไปถึงไปห่วงอะไรมัน อ, อีกอืห่วงตัวจิตนี่ที่จะไปหากรอบพบกรอบชาติไปหาจับจองป่าชาติ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 พระพุทธเจ้าก็หมายถึงผู้รู้ที่แรกก็รู้ธรมรมดาเหมือนสามัญชนเราต่อไปก็รู้ทุกสิ่งทุกอย่างรู้รอบขอบคิดจกนกระทั่งเป็นรู้ที่บริสุทธิ์นี่ศาสนาพุทธเราก็ถือศาสนาพุทธพุทธะคืออะไรก็คือใจให้รู้ทุกสิ่งทุกอย่างภายในสิ่งที่มันเที่ยวเข้ามาเกี่ยวข้องภายในจิตพยายามแก้ไขโดยลำดับเรื่องความเป็นความตายอย่าเอามายุ่งเยือกเอามาเป็นอุปสรรค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 หายดูแย่ก่อควานเดออนเท่านั้น a l ะ a h e w า